สมัยเ ป, เป็นพระหน่อยพระนุมหลวงพ่อขบรใดคืดเอียงแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วหลูกน้องบริวานคณะสัทธาญาติโยมเขามาเกี่ยวของมันหลายระดับเหลือเกินพราะนั้นเ้าจะปอบว า, าวาเลยก็บวใดกันหมดวาวาจุกจุกจี้เกินไปก็ทําให้ลํำค้านผู้ดใดยินได้ฟังขึ้นกันแต่ถึงอย่างใดวาก็บวา ว, า ว, าวอันใดดีกว่ากันาวาดีกว่า หลวงพ่อตัดสินว่าเบาดีกว่าเพื่อจะให้เป็นแนวท่างให้ได้ยินสุก ข, ขู่ทุกคนว่าการดำเนินงานของเฮ้าการก้าวเดินในวัดของเฮ้านี่ไปแบบไรเดินแบบไรจุดประสงค์ของหลวงพ่อนี่คื อ, อยังสรุปแล้วหลวงพ่อนี่ยบ่ได้มักยากหมัก ง, างา่ายง่ายปู่ค้นรือมากเกี่ยวของ อันใดที่เป็นยศถาบรรดาศักลู่ล้าโออาร์ไฮโคนหูจักทางหลายทัวฟ้าทั่วแผ่นดินอันนั้นโมแมนแนวความจิดของหลวงพอลหลวงพ่อเนี่ยอยู่แบบเหลียบง่ายแต่มันสีดังกรสุดแทมแต่มันสีดังเฮียมันสิดับกรสุดแทมแต่มันสีดับแต่ห้าก้าวเดินตามลักร่ำวินัยก้าวเดินตามลักท่ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้า ก้าเดินตามแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นพาดําเนินมาเข้าก็ดําเนินไปอย่างที่วัดของเขานะเห็นบอกเอ่เขาก็บ่กเคยติดไอหยังต่อยี่หยังเขาแบบอยู่แบบปัดป้าแบบเก่าแก่ดึกตําบรรณสมัยเก่าแก่ดึกดาบันสมัยหลวงพ่อไปกับลหลวงปู่หล่าหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆฮะ ก็เป็นแบบวัดเท่าทีเดียวนี้แหละจ้วยลุยเร่าง gì ละ่ะแบบเงียบเงียบง่ายๆ่ายเร่อง gì ่ะแล้วก็มาหาคูบาอาจารย์มี่ยังเป็นกระบอกให้ฟังแล้วก็จบไปเป็นกระบอมีสทตีกระโหลกกระล่าเคาะกาวไ อ, อ้ยังแล้วก็การทำบุญทำท่านคือกันเก็เตแบบง่ายๆ่าโดยมากกับะบมีดีโกนังดีกาหี่ดี นิมนต์นั่นนิมนต์นี่ดีกาแพ้ขอผาปงผาป่าเหลี่ยไรเพื่อสร้างนั่นเพื่อทับนี่โดยมากเพิ่นก็บอกคอยมี่อบอมีอ่ในคู่บายจานรุ่นเก่าหลวงพ่อก็เลยเบิงเบิงรุ่นเก่าไหววนันไปแต่รุ่นใหม่นี่ก็เออเอายังหลวงตาเนี่อันนี้เพิ่นหาทองขําเขาข้างหลวงโคงสุดท้ายของเพิ่นนี่อันนี้เพิ่นเพื่อข้างหลวงโมเมนเพื่อเพิ่นะ เผื่อส่วนร่วมอั น, นเพิยก็ต้องประกาศหาให้หูจักทั่วหนา้าทั่วตากันอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่สำหรับของวัดป้าปันตราสมัยเก่าแก่เนี่ยก็อบอมีคี้กันที่หลวงพอ่อยู่น้าเพินเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในสมัยหยุกเพลนจุกของหลวงตายอยู่ในความสงบ มักน่อยสันโดดเพิ่นบุได้ทำาอ้ยังเปินบุได้สางอ้ยังหลุหลาโออาจูแบบรุดนันพอลงปอยนันลงพอออกมาจากรุ่นนัน้นกันลงตาก็ยังพัฒนเหตุอ้ยังในรุ่นนัน 2, นห5ารอยอยู่แบบเงียบสงบปุได้ศีสางไอยังเหตุยังนียภายในวัดน่ หลวงตางเบิงแล้วบบางอีกขั้นโปรดออกนอกลูนอกทางกระดาเลยแล้วเ่ยไปเผอๆไล่ห น, นีออกจากวัดอีกตัางหากวก่ะ น, นะเพราะนั่นอยู่ในความสงบพวกเข้าอะไรงี่ยมาเทศกันที่27เพศส2งพนี่เที่บนดาพระรูไฮพระยังเป็นกระทั่งทุกมือนี่ที่ไหวพาะเน้น ช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงส่า ง, งกอส่างภายในวัดของเพิ่นนี่แหละเริ่มแรกจากนั้นเพิ่นก็กอส่างมาต่างๆทั้งนอกมีไอ้ยงังนี่แหละเริ่มตอกก้อนตัดจากหันไปวัดก้อนจากหันก็คือหลวงพ่อยูร่มเพิ่ น, นในเมื่อหลวงพอ่อยูร่มเพิ่นในยุกแหลกหลวงพ่อก็เลยศึกษาในยุคแหลกที่อยู่น้ำเพิ่น เปิลผ้าเห็ดยังไงก็ยังทีเนะี่ยพวกเห่าเห็นเนี่ยเนะี่ยแต่ว่าหลวงพ่อยึดแนลแถวของดวงตาเนี่ยไว้มากที่สุดในช่วงเนี่ที่เห็นเห็นนี่ยนะแต่ว่าต่อไปพ้าภากหนานั้นหลวงพอก็รับรองรับประกันบ่ได้อีกคือกันพอหลวงพออายุมากแล้วลูกหลานพระเน้นกับเขามากหลายมูหลายคณะหลายกลุ่มหลวงพ่อเองก็อาจจะเข้มงวดขวดขันหรือว่ากัน ดูดาวากาวเรืวกะการขันเขาในระบบระเบียบหลวงพ่อก็าคงจะเถ่าแก่ชะล่าคือกันกับพ่อแม่คู่บ่ายจะลงปูลงตาแล้วแต่หลูกล้านที่พาเหตุพาถ้ำเนอ้อเอาจังใดแต่ก่อนใหม่ๆที่ลงตาหรือที่ลงพ่อมาอยู่เน้หลงพ่อพาเหตุจังสี่ละเน้อพาเหตุจังสี่อย่างที่หลงพ่อพาเหตุมากเน้อแบบนี้ละ และพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เขาม้ากเกี่ยวของกับหลวงพอ่อก็คงจะเห็นตั้งแต่เขามา้าเห็นก็เป็นอย่งสี่การอยู่การชันการเขาม้ากเกี่ยวของกับหลวงพอ่อตลอดถึงพระเน้นอยู่ในวัดหลวงพอ่อปัดกวาดทำความสะอาดแล้วก็มีการไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาของใยของมั่นอดอาหารภาวนาของไยของมั่น อยู่ในความสงบขั้นบ่มียังกะเงียบกะปีนึงกะมีงานกะทินอย่างมากกะงานกะทินงานวันเกิดหลวงพอ่อจากนั้นก็มีงานบางปีก็มีงานทําบุญร่วมญาติที่หลวงพ่อพูดขึ้นแต่พอต่อมาปีสองปีหลวงพ่อเอองานทําบุญร่วมญาติออกมาร่วมในวันเกิดของหลวงพอ่อจะนะพรอวา่าหลวงพ่อ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 คนมาเกี่ยวของมากกันนอกด่นกับ่มมีอยู่ในความสงบก็มีแต่วันธรรมดาและววันเสาร์วันอาทิตย์น่านที่พวกศรัทธาแย่งโน้มจะมาเกี่ยวของแต่หลวงพ่อกับพระชายามถึงจะมาเกี่ยวของขนาดไดก็เถอะกับพระายามายู่ในบริเวณสาลาปฏิบัติธรรมเพราะนี่บอยเขาไปจุนจานวุ่นไหวภายในพระสงฆ์ อยู่เพื่อปฏิบัติภาวนาของไปของมันแต่ว่าผู้บาภาวนาก็บบว่ากันแหะแต่ภูที่ภาวนาเนี่ยต้องการความสงบก็อยู่ในอยู่ในวัดทั้งหลังวัดหลวงพ่อก็าพยายามกีดกันบวให้คนเข้าไปเพ่นผ่านบูญไห้อันนี้เทากับหลวงพ่อเองก็ยึดแนวปฏิปทาขององ์หลวงตาขึ้นกันหลวงตาเพิ่นก็บวให้ไพ่เข้าไปจุนจานบุญไห้ภายในวัด มาหอดซาลาเขมาหาเพลินเลยกัไล่ออกมัดพอมาหอดเมีย่ยงออกไปโบไ้เขาไปคุยคุกครี่กับภาภาภาพระฝ่ายพระทางในั่นขั้นมาขุกขี้เข้าไปเลยแต่ถ้าให้เสียหายขาดความสงบทผ า, ายในวัดผู้นึงคุยผู้หนึ่งไปภาวานามันก็บอได้เพลินเพลินจึงโบหฮเข้าไปใกล้ฝ่ายเขตสงฆ์นี่แหละ อันกหลวงพ่อขพไปยามกีดกันสำหรับวา้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมพิจิมากเกี่ยวของป้อ้เขาไปจุนจานบุญไหว้กระพระและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็เข้าไปดูบางที่กันเดินเข้าไปไปตรวจตราดูภายในวัดความพมร้อมหรวอสถานที่ผมหลวงพ่อว่าซสับ ป, ปายะย่างมาก สำหรับผู้สนใจไฟธรรมะผู้สนใจได้ภาคปฏิบัติผู้สนใจในจิตภาวนาจะไปลบอยู่ในมุมใดก็ได้ภายในวัดของเข้าเพราะมีกําแพงล้อมรอบความปลอดภัยบ่อยขู่คนทั้งหลายภายในอกประเดี๋ยเกี่ยวของเอออันนี้ก็ความปลอดภัยอันดับหนึ่งอันดับที่สองออกุฏิก็อยู่ห้างกันอีกต่างหากออแล้วกันน้ำก็สะดวก ในห้องน้ำห้องตาจะไปภาวนาอยู่กุฏิล้างใดห้านล้างใดไปภาวนาอยู่มัดมือมัดเว้นก็ได้บ่เห็นหนาคตรบ่เห็นบ่เห็ผู้ใดไปใกล้เลยก็ได้เพราะมันกุฏิมันห่างกันอันนี้ก็เป็นสถานที่หลีกเล่นสําหรับผู้สนใจภาคปฏิบัติกิจภาวนาเวีนเสียจะผู้ผูสนใจภาวนาเนะนื้อเอือนก็บาว่ากันไปยุไสกันนะั่น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 กันว่าผูมาปฏิบัติร้ำก็ยังที่หลงพอได้พูดได้กล่าวนั่นแหละให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสถานทีวัดเท้านี่เป็นสถานทีสัปปาย ะ, ะพูดะเอเสนาสนะสัปปาย ะ, น ะ, นะแล้วก็พระย่ามาให้บุคคลปุคขะสัปปายะนะบุคคลให้เป็นที่สบายอีกแล้วก็อาหารสัปปายะ เรื่องอาหารเข้าก็เลือกชั้นใดวัดต้องการชั้นประเภทดใดก็บ่มีปัญหาหแล้วก็อุตุสภายวะอากาศในวัดเข้าก็พอถึงกับพรอนมากถ้าเปียกเทียบก็พรอนมากหรึนหนาวมากแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกในวัดของเขาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติธรรม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 ในวัตตาสงสารอันนั้นมันก็มันเป็นแต่ละส่วนบุคคลพระนขอฝากเลิกับพวกเฮาทุกขู่ทุกคนนั่นทั้งปู่แต่งินทั้งคณะศรัทธาญาติโยมด้วยทั้งไฟพระสงฆ์น้องนองุนงทั้งหลายด้วยตลอดผู้อยู่ในวัดปู่ปฏิบัตริรรมในวัดด้วยนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ยัง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 ส่งคู่บาแต่หลวงพ่อน่ยก็ยังคิดสองจิตสองใจขึ้นกันอาจจะไปพักวัดหลวงปูจามจาชักชวระยะหนึ่งจากนั้นอาจจะออกไปพักขางนอกเพราะหลวงพอ่อยุ่มากเลยบุญไหว้จุกจิกจูจีบุญไหว้เสียงสะนันบันไหวมันบริสะดวกมันบริสัทป่ายะสำหรับหลวงพอ่อ หลวงพ่อเนี่เป็นพระปาทั้งดุอยางทีหลวงพ่อประกาศแล้วบอกอีกนะเป็นแน่นก็นเป็นแน่นอยู่ในปาอออมากกัมาอยู่ในปาหลวงพงไพ่พอมาอยู่วัดหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อก็อยู่เงียบสงบอมอยางกันนะั่นนะโมแมนส์ีคุกขีบุญไหว้ทั้งวีทั้งวันโบแมนเวลาไหนควรจะพบกับขูข่ข้นคำนว่าขู่ข้นที่เขามากเกวของหูจักมักคุณกันอยู่กับ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 ไปมหาสู่กันอยู่คืเอามีหยังเขาบอกๆกันแล้วก็จบๆไปเลิกเๆกันนี่แหละอันนี้ก็ตอนใบสองทุกวันลงพ่อลงมาตอนฉั้นยังฮันเซ็จเลยค่ะเอาไปอยู่ในความสงบพักพรตามอัทธย่าใส้พาวนาพอตอนบใบขึ้นกันมีหยังเขาเอาคันโมมีหยังข่ยยางเปลี่ยนอริยาบทพักพรอนนี่แหละ น, นั่นเองคือเฮ้ากับบรมนิหลวงพ่อเองข้าวบรมนิจเจ้านาเจ้าตาเจ้ายศเจ้าย่างบรมนิจมุ่งหวังโลกทั้งโลกโลกมันเป็นอยู่จังสี่แหละแต่เฮ้าต้องเบิงเฮ้าเฮ้าต้องอยู่ถึงจังได้ก็ตามต้องอยู่ในหลักพระธรรมปีไนคือกันกับเกื้อนะ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 ส่วนภายในของแต่ละท่านแต่ละคนอันนั้นก็พยายามทำคุณงามความดีสั่งสำหรับ จ, จิตใจกายสำหรับใ จ, จของตัวเองนอั่นแหจะไงจึงจะพ้นทุกโดยเร็วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมล่ะประเทศฟิลิปปินส์เมื่อกี้เห็นเขาตายแล้วเป็นยังไงถ้ามาเจอกับเพ้า่ะคันาวา พวกเฮาเกิดมาในโลกนี่บ่พบไดก็ต้องฉาตินึงละ่ะจะต้องเจอจังสันบอ่อแผ่นดินไหวกับสินนามิสินนามิกันั่นละ่ะดินฝาอากาศผ่ายุทลม่มสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเผยเผยมนุษย์ต่อมนุษย์ขากันอีกต่างหากคือสงครามอีกต่างหากระเบิดนั่นระเบิดนี้ต่างหากนี่แหะเกิดมาในโลกนี ถ้าบกเกิดมาเน่ยดีที่สุดชําระใจให้บริสุทธิ์ลุดพ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระละหันตรัสถูกทั้งหลายชําระใจชําระกิเลสโลภโกรธหลงไน่ใจจิตใจบริสุทธิ์ลุดพ้นเข่าสู้นิผ้านนั่นละเลิศประเสริฐพวกห้องครจะหวังจังสันล่ะบกวรจะหวังมาเกิดในโลกเน่ยมาเกิดในโลกก็ไม่ได้นะได้นาได้ตาได้ไปยัง ได้เราไปเป็นยังไงได้นาได้ตาเป็นยัง ไ, ได้ล้วไปเหตุยังไผงผมได้ช่ก็เผาไฟถิ่มมัดทุกคนเห็นหมดละพระพุทธเจ้าพระาราหันตสาวกพอแม่กูบายจานหลวงปูหลวงตาของเห้าเห็นมดหลวงตาของเห่าเปิเกิดมีซื้อมีเสี่ยงเข้ารบกับไหวสักลาบูชาแต่ถึงยางไงเพิเ ก, ก็จุล่าลกจุตินิรพาน ไปมัดแล้วพวกเาะะฮาล่ะบัดพวกเฮาจะอยู่โซฟาดินจะได้อยากได้นาได้ตาจึงสั่นเชิด น, นาสู้ตาจึงสั่นไหมอมกนาบ่านาจะเป็นหนึ่งสั่นขึอนกันพวกเฮาทุกคนนะอยู่ใสอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวให้ประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอสม่าเสมอ น, นันแะเลิศประเสริฐ น, นะรับ พ้นนบัณนี้เนี่ยอนุมทนาหายพ้น